Thank uh you. -huh. ปีเมื่อยเหมือนกันสำหรัน้ำคือใจก็เป็นความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความสุขความทุกข์เกิดเกิดใจเหมือนกันวันเวลาก็าเหมือนกันโลกอันเดียวกันสำหรับประเทศไทยไอเคียลันนี่ก็ทีสี่สามสิบห้านาทีวันนี้ก็วันแหลมแปดข้างเดินห้า ตรงกับวันจันท์เหมือนกันแล้วก็นั่งสวดมนต์ไหว้พระอาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็สนุกส่อทยายสวดบางคนอาจจะเบื่ อ, อง่วงอ๋อนอนอาจจะไม่เหมือนกันกลางคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่อาจจะต่างกันบางคนบางชีวิตแห่งรูปนามก็อาจจะหลงบางชีวิตที่มีรูปนามพรอาจจะไม่หลง ไอ้วันหนึ่งหนึ่งถ้าเราหลงวันเวลาก็เกืนยินเราเสียฟรีไปแล้วมันกินไปแล้วเป็นสุขเป็นทุกเวลากินไปมันหลงถัวเลืมตนแล้วก็พัดภาคไปตายไปเกิดไปได้ไปเปลี่ยนหไหวแต่เกิดอยู่ ก, กับสมมติปัญญัติาการต่างๆบางคนก็ไม่หลงวันคืนล่วงไปไม่หลงก็กินเวลาโต ว, วันโตคืน ในมรรคในผลขึ้นมาไกลไปไกลปัญหาไกลไปเรื่อยๆไกลจากข้าศึกไกลจากกิเลสไปเรื่อยๆเพราะตัวไม่หลงพาไปจนถึงมรรคถึงผลได้มันก็ต่างกันเราจึงมาชวนกันธรรมะเนี่เหมือนสะพานที่ให้เราข้ามถ้าเราไปจากฝั่งหนึ่งไปสู่ฝั่งหนึ่งไปจากที่มีน้ําไปสู่ที่ไม่มีน้ําไปจากภัย ไปสู่ความไม่มีภัยถ้าเป็นสะพานก็คือเหมือนสะพานวัดป่าสุกโตข้ามฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งอนยาวาสีอนยาวาสีเป็นฝั่งที่เจริญสติสงมัญญะเป็นฝั่งที่ปริวิเวกไม่ปฏิโพุทธกังวลไม่มั่วเรียกว่าปริวิเวกสงบกายสงบปาจา่าสงบใจฝั่งหนึ่งก็ฝั่งคาบวาสีเรียกว่า ทั่วๆไปชาวว่านชุมชนใครไปใครมาเสียงรถเสียงลาอะไรก็หลอยอย่างเรียกว่าขามเมาวาสีเขตขามเขตหมู่ว่านเป็นชะลาหน้ารเรียกว่าเขตขามถ้าขามจะพานมาอรลยาวายสีปิบิเกวกเราก็หาวิธีเลือกอยู่ได้ถ้าเรายังให้โลกบรรทับถมก็ออกไปอรลยาวาสี เช่นว่าเรามีกติมีที่อยู่อยู่คนเดียวก็เหมือนก็อยู่กับหมู่อยู่กับหมู่ก็เหมือนอยู่คนเดียวถ้าเราปริปริเวกไม่ได้ก็ปริเวกในทางรูปทางนามของเราไม่ใช่สถานที่สถานที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบตองให้เราได้สิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าเราไม่เคยฝึกหัดตัวเองนี่ก็ไมู่โล่ะอาเรี้ยวอาชีคือที่ไหน คำมาวาสีคือที่ใดไม่รู้เลือกไม่เป็นถ้าเราผูกหัดแล้วเราอยู่ที่ใดก็าตามม้อยู่บนรถเมอยู่ที่ทำงานเหมือนกันหมดแล้วก็ปริวเวศของเราไปอยู่กับหมูก็ เ, เหมือนอยู่คนเดียวเรื่อ ง, องนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราผูกขาดเราไม่ผูกขัด น, นะชีวิตของเรามันจะมีค่าอะไรชีวิตของเรามันเลือกได้มันเป็นมากเป็นหน ชีวิตของเรามันเลือกไปได้มันก็เป็นหลายๆายอย่างเลือกคนปนเปกันไปหมดไม่รู้จกเลือกเราทุกแล้วทุกอีกก็ไม่รู้จกเลือกความไม่ทุกข์ก็มีแล้วโกรธแล้วโกรธอีกเราก็ไม่รู้จกเลือกแล้วก็งงไปแล้วไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ผู้มีพัฒนาได้ไม่พัฒนาตัวเองให้มันดีกว่าเก่าไอ้พุ่นราวะเดิมๆไปให้มันโต ว, วันโตขึ้นขึ้นมาเรียกว่าศึกษาคือจะหลงดู เมือม่อหวังโกรธมีสิทธิ์ที่จะไม่โกรธเราก็ใช่สิทธิของเราเมื่อหวังทุกข์เรามีสิทธิที่ไม่ทุกข์เราก็ใช่สิทธิ์ของเราเร า, เราก็รู้จัเ ก, ก, กเลือกแลนวนะงเพราะสิทธิของเราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สิทธิเรียกร้องทางการเมืองอย่างเวลานี้ชาวหลังเขาสองสามตำบลเพื่อปั้นเขื่อนน้นาท่วมที่ก็พากันไ ป, ไปนั่งตั้งเต้นอยู่บนหลังเขื่อนเพื่อเรียกร้องสิทธิคือ อยากได้เงินสองเดือนสามเดืนแล้วก็จะไปเยี่ยมอยู่ก็ไม่มป็นไรนอนอยู่ที่นั่นเรียกร้องให้รัฐบาลเอาเงินมาให้ค่าน้าท่วมที่ไปบางคนก็ได้ไปแล้วเพราะยังไปร่วมกันอยู่เสียงานเสียการแต่บางคนก็ไม่ได้ผู้ที่น้าท่วมอยู่ในท้องน้ําก็ไม่ได้ผู้ที่น้าไม่ท่วมเลยยัง ท, ทําได้ายศมาได้อยู่ก็ได้ ก็ทำให้เกิดการเรียกร้องขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมคนที่ตามงท่วมจริงๆไม่ได้คนที่ไม่มีน่าไม่ท่วมเลยยังดีกว่าเก่เพราะยังได้เงินได้ทองตอนนี้เพราะอะไอมันก็เป็นอย่างนี้โลกเนี่ยก็เลยทำให้มีการเรียกร้องกันไปอันนั่นเลยว่าสิทธิของเขาอรานนั้นก็เอาเสียดื่นเจียได้เรือไมได้ก็ให้คนอื่นตัดสินใยญ่ แต่ว่าอันชีวิตเราเนี่ยมันเลือกได้ไม่มีใครมาตัดสินให้เราถ้ันหลงเราก็เลือกเอาทางรู้ทันทีมันทุกเราก็เลือกเอาทางไม่ทุกทันทีนี่เป็นธรมรมชาติอภิไตยมันอยู่ในชีวิตเราเอาไว้ก่อนส่วนอื่นถ้าเป็นเรื่องของกันอื่นไปเรียกว่าสิทธิของเราอธิปไตยของเราก็มีส่วนตัวอยู่เราจะมาอย่าจนเรื่องนี้กัน จะพาศึกษาจะพาปฏิบัติว่าจะมีกายวมีใจมีรูปมีนามมีธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่ขันหกเคยได้ยินไหมขันหกขีน้อยปฏิวัธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ำเตโชธาตุคือธาตุไฟวาโยธาตุคือธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างมีในกายวิญญาณธาตุคือความรู้อะไรได้นี่ว่าธาตุหกมันเหมือนกันเราทุกนไง รู้อะไรได้ความทุกข์มันก็รู้ความไม่ทุกข์มันก็รู้ได้ความโกรธก็รู้ความไม่โกรธรู้ได้แต่เราไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณธาตุในทางที่พัฒนาเอาวิญญาณธาตุไปใช่ในทางรับใช่ยอมยอมทำตามความทุกข์ยอมทำตามความโกรธยอมทำตามความรักความชังเป็นขี้ข้าของความชั่วร้ายทีอวันนี้ก็มีคนอพยงใหญ่ เป็นครูทั้งสองคนอาหาคููคนหนึ่งมาหลายปีแล้วเลิกเล่าได้มากับเมียก็เห็นว่าที่นี่พอที่เป็นที่หลักใจได้บ้างเลยชวนกันมาเออเคยไปเลิกเล่าที่อา่าสุโกโต้ก็พาครูคนหนึ่งติดเล่ามอมแมมเวลาติดเล่ามาเอารถเฉ่งขี่ไปโรงเรียนเอารถเฉ่งมัดจำเมื่อเมามาเอามัดจำพูดเมียก็ไปถ่ายใ อเม no so we ียก็ไปทุกข์ชวนมาว่าจะมาเลิกแลก็เอาพูดให้ฟังแต่ก่อนนี้ก็ใช้ยาเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ยายาการเลิกเล่าเลือบบุหรี่ก็เอามาเฟืองตัวผู้เอามาเอาแก่นนาต้มปั่นละแวกเอากำมือไปต้มใส่น้ำสามแก้วเอาแก้วเดียวกินลงไปจะอาเจียนดอกจะเบื่อบุหรี่จะเบื่อเล่าคิดถึ่างนั้าเวลาใดอาเจียนออก คิดถึงบุหรี่ก็อาเย็นหรอกเอาไปมาก็เมื่อมันหมดพิษอาเย็นแล้วมันก็หิวบุหรี่หิวเราได้เจียงไม่ใช่ยาอ น, นันต์แต่ว่าถ้าคนนะ่ะต้องช่างน้าหนักต้องตรวจความดันสูงความดันต่ําถ้าไปให้ยาอย่ า, ากนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายได้เราก็ไม่ใช่หมอเราเป็นหมอสมนุนไพรอเรียนมาเออเลยไม่เคยใช่เอาหักดีบเลยเอาธรรมะยาไม่เอา หยุดคือวัตตะเพราะกินมันจึงติดเพราะติดมันจึงอยากเพราะอยากมันยังกินเพราะกินมันจึงติดเพราะติดมันยังอยากเป็นวัตตะล้วก็ไม่กินเพราะไม่กินมันก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากต้องสู้จักหน่อยตัดจริงใจตั้งแต่วันนี้หลวงพ่อเป็นศักดรีปัญญาไม่ตายแน่นอนทําได้ตกลงไว้สัญญากับหลวงตาเลยหลวงตาเป็นพระแน่ๆมีคําพูดมีตัวมีตนมีผู้มีคน มาพ่อกันที่นี่ทั้งผัวเมียสองคู่สองคนครอบครั ว, ก ว, กวามาถ้าตกลงอะ่ะสาธุพร้อมกันอะ่ะสาธุอ่ะมันมันเบากันไปสาธุแรงกว่า น, นี้สาธุอีกก็ <c oughs> เลยบากับบางแบบดีก็อาศัยกำลังใจก็มีแต่ว่าการปฏิบัตินี่เรามาทําอยู่เนี่ยก็ต้องไม่เมีอะไรแหละพอแล้วพร้อมแล้วพวกเราชีวิตเรามันหลงกับลู่ให้เราลู่ไป ใครจะมาจากไหนจะไปยังไงจะเป็นอะไรก็ตามต้องมีอันรู้เหมือนกันมามีความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวไม่ใช่เป็นละมัดละหวังความหลงเหมือนกับเราเป็นยามโฝ่บ้านเป็นยามเฝ้าบริษัทระวังจะปืนจะปีตจ้องถ้าใครมาลักกาขโมยพร้อมที่จะป้องกันไม่เกิดดันขึ้นมานันเป็นยามมันก็ลำบากเราจะเบื่อน่าย เป็นทุลาเกินไปการเจริญสติไม่ใช่ทำแบบนั้นมันมีอยู่แล้วมันไม่เสียไปไหนไม่มีใครมาหลักแม้เป็นความหลงมันก็ไม่เสียเพราะความหลงมันเป็นความรู้ด้วยความหลงเนี่ยมันเป็นความรู้ตรงนั้นไม่เสียอะไรแทนที่จะระวังไม่ให้มันหลงมันก็เกิดประโยชน์อย่างนี้การเจริญสติ ไม่ใช่ว่าหลงเอ้ยมันหลงไปแล้วอืมมันน่าจะหลงทําไมมันหลงนั่นมันเหมือนยามรักษาสิ่งของล้วก็อยู่มันแล้วหลงก็มันก็รู้ได้มันไปทางไหนก็รู้ได้มันง่ายง่ายมันเบาเบฐานไม่อยู่ตรงแน้ใครก็หลงเหมือนกันใครก็ไม่หลงเหมือนกันความหลงมันเสียหายเลยความหลงมันไม่เสียหายมันรู้ได้ แม่ความทุกข์ความอะไรต่างๆมันไม่เสียหายมันรู้ได้ยิ่งดียิ่งดีใครจะมีอะไรมาถ้ามีความรู้มันยิ่งดีจะได้เห็นจะได้รู้ตรงที่มันเคยชินเคยเปื้อนมาตามกรรมของตนตามการกระทาของตนที่มันติดมามันจะได้รู้มันง่ายๆจะไปทอยากให้ทำให้มันเป็นหาแต่มันเป็นเอาอันที่มันง่ายๆเอาที่มันเบาๆ อันมันหนักก็ต้องหาสิ่งที่ช่วยมันง่วงเหรอมันง่วงเอ๋มันหนักหรืหาออุปกรณ์ช่วยเหมือนเรายกของถ้ามันหนักก็หาวัตถุอุปกรณ์ช่วยการช่วยความง่วงไม่มีใครช่วยเราการช่วยของหนักที่เป็นวัตถุอาจจะมีวัตถุอื่นหรือสิ่งอื่นมายกมางัดขึ้นมาถ้ามันง่วงอ่ะก็ออกแรงแรงแรงเพื่อนไหวถ้านั่งอยู่มันง่วง ก็เอาท่าใหม่อย่าไปนั่งคอตกอย่าไปนั่งอ่ อ, อนแดงเหมือนคนขับรถบางทีเขาง่วงเขาขับช้ากันไปบึ้งแรงๆสักก็หายง่วงได้ใช่ไหมบางทีเขาบอกมึงง่วงเออเขาช้ามันง่ว ง, องเอาแรงๆก็มือมือมือเบๆๆก็หายง่วงได้ทีเราก็ออกแรงจากหน่อยยกบือทุบเข่ายิ้มยิ้มปลุกตัวเองขึ้นมาเอาลุกขึ้นมาถ้ามันนั่งอยู่มันง่วงลุกกันเดิน ไม่ใช่ย่องเตินตบเท่าเลยโอ้มันดีมันไม่ง่วงเพราะมันง่วงทำไปไม่ยอมมันบางคนง่วงหลับตาปีอ๋อตกสับปะโกกอยู่สองรอบสามรอบก็ยังนั่งสับปะโงกอยู่ไม่แก้มันก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่มันจะมีไม่กี่ครั้งมันก็ผ่านได้ถ้าเราหัดนี่ก็มีวัตถุประกอ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเามามาช่วยตัวเองไม่เยอะแยะ ในชีวิตเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะละความชั่วพร้อมที่ทำความดีอยู่แล้วไม่จนในเรื่องนี้แน่นอนเรียกว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามทุกวนจะปฏิบัติผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นเป็นได้สรจจ์ชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรจะสร้างสารรค์ชีวิตเ่าเท่ากับธรรมชาติสร้างมาในชีิตเราทั้งหมด ถ้าโรงงานรีไซเคิลเขาหยู่ทีน่นี่ของเสียทําให้เป็นของดีแหละกินเหล้าตับปอดท่านใช่ไหมแอลกอฮอล์เป็นออกซิเจนพราะแอลกอฮอล์เป็นเป็นอันตรายตับจะต้องต่อสู้เป็นทหารเดวหนา้าเพื่อให้มันดีขึ้นมาเมื่อกินมาบ่อยกินมาเมันก็ลบบ่อยๆถูกประทุบบ่อยๆแล้วก็เกิดตับแข็งเมื่อเหมือนมือเหมือนเท่าเราเนี่ยเยียบดิ้นบ่อยๆก็แข็งด้านไปเลยตับแข็งนี่มันไม่เหมือนฝ่าเท่าเรา กลายเป็นของอันตรายไม่มีพลังงานมันด้านก็เกิดโรคได้มันรีเซ็คเกิลไม่ไหวสูบุหรีกินเหล้ามือที่โกรธต น, นี่ยก็ทุบอยู่เรื่อยจิตใจนะนั่นก็ไม่ไหวคนนี้เจ้าก็โลกกับพ่ออาหารได้สูบภาพเสื่อมโทรมจะปล่อยให้อย่างนั้นเลยชีวิตเรามาจะมาฝึกขัดตัวเองนะ่ะฝึกฝนตัวเองอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเรามานี่ทําไมมาเป็ินกันเลยอยากเบ็ดกัน ว่าบัดีอย่างนี้ทําอย่างนี้ไปใจเป็นคิดเป็นพูธเป็นอิสลามมาอันเดียวกันแม่ประเทศชาติในอย่างของพ่อพูดวันนั่นนะถ้าพวกเราเสื่อมกันหมดอิสลามมาเสื่อทอ่านหลวงพ่อยังไม่ตายหลวงพ่อเป็นอิสลามถ้าคิดมายึดบังคับไปเป็นคิดนุ่งชุดใหญ่ๆก็จะเป็นคิดแต่ว่าจะสอนเรื่องเนี่หรือตายไปมีผีมีเปดถ้ายังมีรูปมีดามจะสอนเรื่องเนี่ยไม่สอนเรื่องอื่นจะพูดเรื่องเนี่ จะบอกดังนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ชีวิตเรามีรูปทำมีนามทำเอารูปวอาปวานามเพื่อทำความดีไม่แย่รูปวอนามเพื่อทำความชั่วจะมีอยู่เท่าไหร่ก็จะทำความดีไม่ทำความชั่วมีกายเป็นรูปมีนามคือใจมันรู้อะไรได้เป็นถ้ารูปเรียกว่าวิญญาณธาตุเนี่ยเอามาทํามันใช่ได้เอามาทําดีก็ดีทันดีทําชั่วก็ชั่วทันดีไม่น่าจะทำความชั่วเพราะมันชั่วทันที มันไม่ได้ได้เหมือนเราไปทํางานได้เงินไปปลูกข้าวได้ข้าวอันดนั้นได้เอาเงินมาเป็นเรื่องได้แต่ว่ากรรมเนี่ยมันได้ทันทีเลยไม่ใช่วัตถุแตาทำดีมันก็ดีทันทีไม่ได้เลยแต่ชั่วก็ชั่วทันทีขณะนั้นก็เราก็ปล่อยแม้ถึงขณะนั้นเราก็ยังปล่อยอ่ะมันโกรธเอ้ามันเป็นกรรมชั่วแล้วก็อย่าปล่อยให้มันโกรธมันทุกข์ถอนออกมาเหมือนชาติตกล่ม ย่างตกล่นนี่มันไม่ยอมจมลงไปมันถอนขึ้นมาชีวิตเราตกล่มมันหลงมันทุกข์มันโศกมันลักมันจังมันตกล่มไปถอนขึ้นมามันถอนได้บางคนไม่ยอมถอนเขาว่าเราทําไมทําไมเขาจึงทําอย่างนั้นทําไมจึงพูดอย่างนี้มัน่าจะพูดอย่างนั้นมันน่าจะพูดอย่างนี้มันหักลงไปมันจมลงไปเป็นโทใจจริตเป็นนิสัยไปเลยเพราะนั้นเราจึงมาหัดให้มันรู้มันรู้เนี่ยให้ได้นิสัยใหม่อังวันเดนิสยังยิามิ ขอให้ใจแบบพิมพ์แบบฉบับของพุทธเจ้ามาเข้าพิมพ์มาเข้าแบบมันหลงกับลู่เนี่เข้าแบบถ้ามันหลงหลงไปไม่เข้าแบบเป็นขยะไปเลยเหมือนหล่อเสาหล่ปูนจะเอาโสากรมต้องเอาแบบผมกรมอ๋อาายอนต้มทํากติชื่อท่อใจเห็นมาขนาดไหนก็เอาเทบุญลงไปเข้าเป็นปลูกปุ่มถ้าเอารูปเหลี่ยมก็ชื่อไม้มาสามสี่แผ่นตีเป็นแบบแตีเทลงไป ถ้าปูนดันไหนไม่เข้าพิมพ์ก็เป็นเศษขออยะไปชีวิตของเราเนะี่ยนิจใจที่เราหัดเนี่็ให้มันเข้าพิมพ์พิมพ์คืออะไรคือรู้จึกตัวคือจิตสำยานี่พิมพ์เป็นแบบฉบับแบบฉบับที่เป็นแบบพระรูปพระมันอยู่ที่ความรู้จึกตัวหลอเข้าไปเข้าไปในพิมพ์ให้ได้อย่าออกไปมันหลงก็อย่าออกไ ป, กไปเป็นผู้หลงให้เห็นมันหลงเข้าพิมพ์แล้วมันทุกข์ก็ยาวไปเป็นทุกข์ให้เห็นมันทุกข์เข้าพิมพ์แล้ว มาหล่อด้วยมาสอนเรงมาตกแตง่งเหยาแบบเปรตแต่ปรจศุบกายแบบจัดเต็มทศ่ฉแบบสันนรกแบบ แ, บบแบบดีๆแบบพระรู้สึกตัวรู้สึกตัวผู้ใดมีสติเป็นหน้าโลภผู้นั่นเป็นพระขีนะข่นาศกพระขี่นาศกคือพระอรหันต์มีสติเป็นหน้าโลภไม่ใช่นุ่งกางแจงสีนั่นสีนี่อยู่โน่น อ, อยู่นี่ไม่ใช่อันนั่นเป็นสมมติบัญญัติปรมัตต์สัจจะไม่อยู่ที่เรา มันอยู่ที่การกระทําของเราเข้าแบบให้ได้เนี่ยจะเป็นคิดก็จะสอนแล้วเนี่ยจะเป็นใช้ก็จะสอนเราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็สอนเราเนี่ยไปไปกับคิดสมัยหนึ่งอะ่ะเป็นเพื่อนกันกับบาทหลวงเขมาไม่มีภาวนาเขาให้เราไปสอนภาวนาบางคนก็เอาแล้วเพราะเขเขียนอะ่ะไปเข้าคิดแล้วก็มีเหมือนกันเออไม่ได้ไปเขาเราจะไปสอนกันอเอาธรรมะเนี่ยมันก็ดี ไปสอนพ่อคิดก็เคยไปไปสอนบาดหลวงเคยไปโรงเรียนบาดหลวงที่มหาวิทยาลัยขอยับเชียงใหม่ไปสอนโรงเรียนบาดหลวงมีบาดหลวงเขามีโคอชของเขาเขามีสายของเขาเขาไปสอนไปฟิลิปปินส์ไปดูงานเกาไปอยู่กับบาดหลวงเขาไปดูของเขาการภาษาสนะของเขาคือทำองไงวิธีการสอนเขาก็เด็กเขาเรียกว่ายาปักยาปักคืออะไรถ้าจะไปดูจนจนยากจนต้องไปอยู่กับเขา ไปดูชุมชนที่ฐานอดีตเขาไปอยู่กับเขาไปจุมดูมันจะขนาดไหนความจนรายวกับพวกซาไกลหรืออะไรเตี้ยๆเท่านัา้นซาไก <sc> ชุมชนชาไกาชุมชนชาวเขาก็าไปอยู่เขาดูเขาอยู่ยังไงพวกชาวเขาเราัวซาไกเงาะเมียเป็นชุมชนใหญ่มากประงาะซาไกเขาไปอยู่เขาเราสมัครไปอยู่กับชุมชนยากจนอ๋อไปอยู่กับสะลําบ้านสะลําเขา ใครเคยไปอยู่กับพวกจลัมที่นี่หลวงพ่อเคยไปประเทศฟิลิปปินส์นะเขาให้เราไปอยู่กับจลัมไปด้วยกันสามลูกพระผู้มีอายุเหมือนกันแล้วก็ให้ที่พักน้อยหลังเดียวฝาก็เป็นไม้ขยะขาดบ้างไม่อัดตะลุถลวงบ้างตีฝาหลังคาก็ปะแล้วปะเีกมบอัดก็ทำหลังคาได้โอโวเวเวไปกระถังใส่ห้องน้าก็บาก แบ่งๆขาดๆเขาเจ็บบาจากถังขยะของหน้าก็พอพอใช้ได้แต่ถังมันใหญ่แต่ว่ามันขาดลงไปมันก็อยู่เหลือนิดหน่อยที่นอนอผ้าพรมขาดขาดที่ยวไปทิ้งเขามาปูนอนเหม็นสาบ้าอุปโภคสามลูกไปดูที่เราก็ออวันนี้คืนนี้เราอยู่นี่คืนหนึ่งวันหนึ่งวางแผนในใจไม่ใช่เรียกร้องโอ๊ยอยู่ไม่ได้ไม่ใช่วางแผนในใจใเราจะ น, นอนอยังไง เราเข้าห้องน้ํำยังไงเราอยู่นี่คืนหนึ่งเลาะล่างหน้าแปงฟันแต่เราก็มีน้ําดื่มในขวดน้าเราก็เตรียมแบงวางแผนแช่ห้องน้ำเงยไหลขย้อยนั่งรถไปแล้วก็อยู่ในหุบเขาว้างอยู่ในหัวเขีวต่ตําๆเดินขึ้นเดินลงไม่ใช่มีใครไปทําถนนทางให้เดินขึ้นมาเดินขึ้นไปแล้วก็วางแผนเห้องน้ำดูโอ้ยเงอไหลขย้อยจะอาบน้าไงเนาะไม่อาบน้ําไม่ได้ มันร้อนเหลือเกินเฮ้ยอย่าอาบน้ำพวกเราน้ำมีน้อยๆจะลอยใช้ห้องน้ำซะถ้อาบน้ำกรณเนี้น้อยกูลงไปเอาฝาบาทเป็นหมอนเอาสังกาติวางบนฝาบาทนอนตะแคงหนีจากผ้าผืนนี้ไม่ได้ให้บรรจงที่สุดถ้าเราไปนอนเสื้อพรมเขาหรือนอนม ไ, ไม่ได้แม้นต่สาบเป็นเชื้อโรคด้วยพอนนอนก็นอนม ไ, ไม่ได้เงื่อยอะไรไปขโมอยอาบน้ำพอเพื่อนนอนแล้วโอ้ยกระดูกกระดิกระดิเราไม่กระดูกกระดิ พอนอนเราก็มยไปอาบน้ำแล้วก็มีเขี้ยวหน้ามสแตนเลสมีหูไปวางแผนดาบหน้าตั้งเฉติดีๆเราจะอาบน้ำห้ากระป๋องน้อยๆเท่านีน้ลองดูทำได้ไหมทำได้เราจะพยายามไม่กระทบกระเทือนหน้าห้ากระป๋องเราดูในชีวิตเดียพอนั่งลงก็อาบน้ำตักนาำเทใส่หัวหูสบสู่ไปหูสบสูบไ่ไเอามือลูบน้าผาไป กระปองนึ่งเกือบทั่วแล้วลูบสบู่ไปก็นั่งถูสบู่นั่งถูตัวเล่นไปพอมันเปียกไปถูสบู่แก้วที่สองมาลาแจกกรลู ب ไปยังลื่นลื่นส บ, บู่ยังวาอ่าค่อยลูบไปลูบไปโอ้ของแก้วผูสบู่เกือบครึ่งหนึ่งแล้วเกือบเต็มแก้วที่สองถูสบู่ฟืดเล่าไปฟืดแล้ ว, ลวถูสบู่เอ้าสีแก้ว ต้องได้แน่นอนพอห้าแย่เรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยมานอนให้บอกเพื่อนมันก็ไม่กระทบไปเทือนล่ะไปจุ่มแบบนี้เขาเรียกว่าหยาบปักนจา๊ะคิดเขาไม่ใช่เราไปดูเขาเฉยไม่ได้สัมผัสอะไรมันยากกันไหนมันลําบากยังไงไปจุม่มหรือกว่าหยาบปักการมาไปฏิบัติทำแนี่มาจุม่มไม่ใช่รู้แล้วละ่ะยกเบอสรงจังหวะสิบี่จังหวะทําเป็นแล้วเดินยังกง้ม ไม่ต้องแกงแขนกอดหน้าอกหรือขัดหลังหรือจับหน้าท้องป่วยกันไหวทําเป็นแล้วสุกุโตสอนอย่างนี้ไม่ใช่จุม่มแต่มาจุ่มนี่ต้องมาลู่เปนหลงจุ่มดูความรู้จุ่มดูความหลงมันมีความหลงก็มีความรู้ก็มีความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ก็มีจุ่มลงดูทําได้ไหมเหมือนเราอาบน้ำเยี่ยวใช่เนอะลองดูมีแต่ทั่วไหมมันทําได้ไหม จุ่มลองดูมันหลงรู้ดได้เสียหายหรือมันหลงไม่เสียหายอาบน้ําได้หรืออาบได้อาบไม่ได้หรืออาบไปได้ไม่เอาตรงนั้นเราทาลองดูไปจุมมจ่มลองดูก็หรือว่าจุ่มลองดูเอากายเอาใจมาจุม่มมันมีสิงให้จุม่มรู้มันมีแล้วเห็นมันเห็นอยู่ไม่ใช่หามันแสดงออกมาดีดีการศาึกษาธรรมะมันฉายออกมาเหมือนโจ ชีวิตเราร่างกายใจเหมือนการแสดงของอาการต่างๆเกิดขึ้นกับปลายกับใจตัวสติเหมือนกับเราดูหนังดูละครเคยดูหนังดูละครไหมเวลาพระเอกออกมาชอบเวลาศัตรูเอามาชอบไปแสดงบทเขาโศกก็โศกกับเขาปวดเขาหัวเราะเขาหัวเรากับเขาไม่ได้ดูเลยไปแสดงกับเขา มันทุกข์ก็แสดงไปกับความทุกข์มันหลงก็แสดงไปควมหลงมันโกรธก็แสดงไปกับความโกรธไม่ได้ดูเราต้องไปดูที่มันแสดงมาให้เราเห็นอันรูปทำนามทำเพราะมันอยู่นิ่งไม่ได้มันไม่จริงชีวิตมันไม่จริงความตายเป็นของจริงการเกิดการดับมันเกิดอยู่เลยมันผ่านอยู่เลยมันหลงมันรู้อยู่เลยมันแสดงให้เราดูเราอย่าไปแสดงไปร่วมกับมันเรียกว่าดู หลวงพ่อเคยตจงพูดว่าจงมาดูเอ้าเป็นผูด้ดูเอ้ามันไม่มีอะไรดูก็เป็นสมมุติปัญญาถ้าจะพูดธรรมะที่พูดสัจจริงๆอ่ะปรมาจริงไม่ต้องพูดอะไรเลยนิ่งไปเลยปิดปากอันนี้จําเป็นต้องพูดเพราะพระพุทธเจ้าเคยพูดเคยสอนไม่ต้องไปนิ่งให้กันดูเป็นก้อนดิดก้อนหินเวลาปฏิบัติธรรมต้องไปนิ่งนิ่งนิ่งอาจารย์ก็นั่งนิ่งสงบอยู่ ลูกเียก็นั่งนิ่งสะบงอกอยู่อดทนชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ไปทําแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยมาไม่ต้องไปนิ่งแบบนั้นรูปกายก็เคลื่อนไหวลืนตาอย่าไปหลับให้มันธรรมชาติอย่าปิดหูปิดตาให้มันเห็นให้มันรู้งัวก็ให้ม่เห็นก็อย่าไปนิ่งเพราะเราจรึงมาดูอย่าเข้าไปอยู่อย่าไปเป็นเรานั้นเราดูดังดูละกอนบางคนก็ไม่ใช่ไปดูไปแสดง พอหลอมเลื่องพระเบชสันดอนอยู่ที่หลงขายกัญหาซาลีก็เป็นเด็กน้อยจริงๆความสุขก็เป็นแต่งตัวเหมือนผามแล้วว่าคือผามแต่ว่าไม่รู้ผามยังไงมาคือไปขอกัญหาซาลีพอได้ก็พอหลุดจากมือพระเวชฉันดอน่าตีเลยโตบลงไปกัญหาซาลีก็ร้องให้พระเวชฉันดอนก็นั่งอยู่ถ้าบ่อยให้เขาตีลูกตัวเองต่อหน้าต่อตาพระเวชสันดอนคิดยังไง ต้องไปช่วยใช่ไหมไปช่วยเพื่อจะอนนั่งดูเฉยจะทําได้ไหมพวกเราคันหาาลีก็เป็นเด็กเน่ยพามจับไปแล้วยังไม่ไปถึงไหนคันหาาลีก็กลัวร้องไห้เพอพราม์ทุยทกตีเลยเขี้ยนตีเลยเพื่อจันดอนนั่งดูเพื่อจะนอนชี้ไงถ้าปริทัศนดลองดูเพื่อจะลองอมองดูโอ้พรามเมื่อมอบคันหาาลีให้เขาไปแล้วมันต้องอยู่ในอำนาจของพามมันจึงจะปลอดภยัย ถ้ามาไม่กลัวพราม์มันก็ลักหนีกลางดงกลางป่าจะไม่ถึงกุงสีผีดีแล้วเขาจะได้เชื่อฟังพรารม์มองแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่มองแบบโกรธไม่พอใจอ้าบถ้าคณะจาลีเชื่อพราม์กลัวพราม์ที่ไม่นนไหนีไปไหนอยู่ในอำนาจก็จะไปถึงเมืองสีผีไปถึงเมืองปู่ปู่ก็จะได้เอาหลานน้อยไว้ พระเวชนนทก็วางแผนจะต้องมาดค่าราคาแพงมากความโชศกจเจ้าเด็กไปใช่หรือไปให้อา น, นิตตตาใช่หรือมันใช่ไม่ได้เด็กน้อยโชศกก็ต้องมีปัญญาเอาไปขายให้ผูกเอาเงินไปอ่าจ้างคนมาสร้างอะไรก็ได้สร้างร้อยัวาร้อยม้าร้อยเงินร้อยทำร้อยอะไรมีแต่ร้านร้อยห้าร้อยเป็นเศรษฐีกันดีเอาไปขายใครจะซื้อได้มีแต่ ไปเจ้ากรุงสนไทยที่ชื่อคันหาซาลีไดก็ต้องไปที่นั่นหวังก็เอาไปที่นั่นจริงวางแผนไว้จะ ต, ต้องไปขายให้เจ้ากรุงสนไทยเม่าเราได้เงินจะเอาเงินไปจูบอาพิจตตาหอบเงินไปก็รวยแล้วเราพระแม่จะนอนวางแผนไปจริงๆนะ่ะไม่ใช่โทษทิ้งนะถ้าอยู่ในป่าในดงอะคันหาซาลีเป็นลีงเป็นข้างเอาอย่างเลีงบ้างเอาอย่างปวงป่าไม่มีใครสอนพิมพากัจจี ก็ไปหาเดรดมากมาปล่อยกันหาซาลีเล่นกับพระเพจชันยอนเหนืออาสมปากกันไว้แล้วพระเพรชันอนก็เอาแต่นั่งบำเพ็ญภาวนาะอหาซาลีกเออล็เอาอย่างเลียงบ้างเอาอย่างแกงเอาอย่างขวงได้นใจไปโอ้ยไม่ได้เล่าเรียนก็ โ, โชคดีพามาเอาไปวางแผ่นทันทีเลยจะให้ไปไปษาเรย์เรียนก็ถึงกรุงศรีปี่พระเจ้ากรุงจะใส่หลานไว้เลย พอถทยร้านได้พราหมณ์ชูชกก็รวยพวกบลิวางพวกไผ่ฟ้าประชาชนก็เลี้ยงคราหมณอาหารอย่างอะไรๆกินเอาเยวท้องแตกตาท้องแตกตายพระเจ้าคงสนใจประกาศให้ญาติของพราหมณ์ชูชกมารับเปาสมบัติทัง้งหลายประกาศไปมา่งไหนไม่มีใครมารับอมิตรตาไปไหนอมิตรตาก็วางแผนในชูชก อมิธรรมคือใครอภิตรรมอะไางไม่ใช่ไหมหนีไปเอ า, าผัวใหม่ใช่ไหมก็บ <c oughs> <c oughs> อกเลยอมิธรรไม่มาเอาัสมบัติเลยอาสมบัติทั้งหลายก็กลับคืนสู่พระครังได้อันนี้เรียกว่าปาลิทัต์ลงดูมันเป็นอย่างนี้ทีนี่คนดูหมอนลมเนี่ยเห็นเขาตีกัญหาจรี <c oughs> น้อยๆกูดมันไม่าจะตีขนาดนี้เลยจับมาตีจริงๆนะกัญหาจลีตัวแรกก็ร้องไห้ คนดูก็สงสารนะฮซาลีาาลแม่เท่าคนหนึง่งขายถั่วอบอยู่หน้าเวทีจับไม่คานขึ้นไปไ <c oughs> <c oughs> อ้ความสุขนี่ไปแสดงเบบ <c oughs> จนความสุกกับนั่งวิ่งเข่าขหลังเอ้ยคนใหญ่คนใหญ่เขาแสดงเช้ๆดเดครับไม่ใช่ตีจริงๆลองไปลองไปมันแสดงเวล <c oughs> ยาใหญ่โกดซุกๆนะอั่นไปแสดงกับเขาไปสงสารจนน้ำตาไหลไปหัวเราะจน อะไรต่างๆมันแสดงชีวิตเรามันแสดงให้ดูใครเคยแสดงกับรูปทำนำำมามทำบัตรมันปวดก็แสดงเป็นคนปวดมันสุข ก, ก็แสดงเป็นความสุขมันทุกข์ก็แสดงเป็นคนทุกข์มันโกรธก็แสดงเป็นคนโกรธดูมันเรียกว่ามาดูให้มันเห็นให้มันเห็นพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นมันทุกข์ก็เห็นทุกข์มันเป็นของประเสริฐอย่างนี้ยพูดให้ฟังเรื่องของเราในแบบ ใครมาจากไหนเหะเถินเดินฟ้ามาใครทำดินดินบนบาข้อสอนราเนี้จะอยู่ที่ไหนเขาพูดเรานี่ยเพราะนั้นเราก็มาศึกษาดูยามมาเชื่อเราทำดูมันรู้จริงไหมมันหลงจริงไหมอันรู้อันห ล, ลงอะไรมันเป็นธรรมมันเลือกได้ไหมเราไม่ฉินเลือกได้ไหมต้องรู้จั ก, จกไม่ใช่เรางโง่มีปัญญาไปในตัวมีฉินไปในตัวมีสมาธิไปในตัวถ้าเรามีสตินะเอาพูดให้ฟังดีใจ นี่ว่าจะมีใครได้วันนี้พวกหมอก็กลับไปอยที่นี่ก็เห็นแต่ลอยพวกเรานาะพวกเราอยู่นี่เป็นผ่านลงเป็นกรรมกรเป้าให้มาเถอะพวกเราพวกไม่เดือดร้อนอะไรมากมายเดินเคยสะดวกสบายก็มาลองทุกๆุกยากยากหลงดูเอาไม่ไหวเราสุขุโตแย่ที่สุดเลยไม่ต้องแยกไม่เป็นไรว่าอย่างนี้หนียวข้าวบ้างก็ไม่เป็นไรลาบากบ้างก็ไม่เป็นไร เอาไม่เป็นไรผิดบ้างไม่เป็นไรรู้บ้างไม่เป็นไรอย่าไปเอาดีเอาไม่ดีมันผิดก็ห่อโลกความผิดมันทุกข์ห่อโลกความทุกข์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรการปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนี้เอาว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันดีแล้วมันหลุดพ้นแล้วมันหลงก็ไม่เป็นไรมันผิดบ้างหลบบ้างไม่เป็นไรทาไปอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่าไปเอาผิดเอาถูกเนาะอย่าไปสุทุกข์ จะเราชอบไปชอบไม่ต้องใช่เหตุใช่ผลมาทํากรรมฐานให้มันเป็นกรรมจริงๆมันจิตจํานากไปสร้างตัวรู้สอ้งตัวรู้อย่าไปเมินมาได้อะไรหนึ่งวันไม่ได้อะไรสองวันไม่ได้อย่าไปคิดแบบนั้นวันรู้ ก, ก็รู้อยู่แล้วจะแปลเลยมันรู้จุดตัวก็รู้อยู่ทันทีอยู่แล้วไม่ใช่ไมีอะไรแลก็รู้อยู่แล้วทันทีความรู้จุดตัวเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงจริงนะ